บุกทูสิบสองดวนาเอสิตเครื่องดื่มพิอาโลตซีอาโลตซีผมดื่มชาครับยาสพียมชายยัสเพียม ใช่ผมดื่มกาแฟครับ Yes piem cafe Yes piem c a ผมดื่มน้ำแร่ครับ Yes piem mineralna voda Yes p i e คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ พิเชัซลิชัซลิมอนคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับพิเฟชคลิกาแฟโชเชคกรคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับพิเศษลิวอราะสเวอดามราส มีงานเลี้ยงที่นี่โอ d เดไอมะซา บ, บาว v โอ ima zabava บ, บาวคนกำลังดื่มแชมเปญลูกเกโตอตแชมเปนสโกลูกเกโตปิแอตแนสโกคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ลูกเกโตปียอตวิโนอิพิว ลูกแกอเบียด ว, วคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับพิเอชเลียแอคุณดื่มวิสกี้ไหมครับพิเอชเลวิสกีียวิคุณดื่มโค้กใส่เหล้าร้ำไหมครับ พิลคลาุรุ ม, รมผมไม่ชอบแชมเปญยสนสกคำชมเปญสกยสเนสกคำแชมปญสกอผมไม่ชอบไวน์ยัสเนสักคำวิยสเนสกคำวิน ผมไม่ชอบเบียร์ยาสเน s a k a m pivo Yes, nesakam pivo yes, เด็กอ่อนชอบดื่มนมเบเบ to ซา k a ม l e โก Bebe to saka mleko เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Детето сака какао и сок од јаболко. Детето сака какао и сок од јаболко. Пушиња ја обидува да ја однесе во к у т и ј а т Жената сака сок од портокал и сок од грейпфрут. Жената сака сок од портокал и сок од грейпфрут.